สวัสดีครับนี่คือเสียงจากสี่เสียงบ้าินะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยสามสิบห้าเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูตอนที่สิบคำวิงวอนที่หนึ่งคือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเรี่อนครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะภาวนาคําอธิษฐานของพระเยซูที่ทรงตรัสสอน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 และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านําข้าพระองค์เข้าบริการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเศรษฐวราชอำนาจฤทธิเดชและพระศิลิฤฤฤฤฤฤฤเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนพี่น้องครับเราอยู่ในคําวิงวอนที่หนึ่งก็คือขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เค า, ารพสัตย์ระ พระเจนะของพระเจ้าในเนื้อหาในวันนี้เมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเมื่อพระเยซูสอนเราให้อธิษฐานตามบาปอย่างของพระเยซูนั้นพระเจ้าพระองค์นั้นต้องการให้เรานั้นนมัสการด้วยจริงใจเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเมื่อเราเข้าฟ้อพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐาน เราต้องพกพาเอาความจริงใจเข้ามาหาพระองค์พระเยซูตรัสว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมำสการพระองค์ในข้อความนี้พระเยซูกําลังเสนอว่าเราควรจะเริ่มต้นอธิษฐานอย่างไรเวลาที่เราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะและเห็นว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราสรรเสริญพระองค์อย่างถูกต้องก็คือยกย่องพระนามของพระองค์ให้สูงที่สุดนี่คือความปรารถนาของพระองค์ว่าพูดง่ายๆก็คือว่า เมื่อเราไอ้ขานคำว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั้นก็พูดง่ายๆว่าทรงทรงยิ่งใหญ่ครับพรงคทรงสมควรแก่การเคารพการสรรเสริญการศักดิาระพระสิริของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าปัญหาของเราใหญ่เกินความต้องการของเรายิ่งใหญ่กว่าความกลัวใดๆทั้งสิ้นของเรายิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดๆ ทุกอย่างในโลกนี้เมื่อเราอาธิษฐานด้วยคำว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะสิ่งที่สำคัญที่สุดในคำอธิษฐานนี้ก็คือพระนามของพระเจ้าได้รับการสรรเสริญการยกย่องนี่คือหัวใจแห่งการสรรเสริญพระเจ้านั่นก็คือพระเจ้ายิ่งใหญ่ครับถ้าถามว่าใครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหรือใครใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี้พระเจ้าครับและเราเอง จะต้องถวายการสักการะถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั้นเราจะตื่นตัวในเรื่องของพระเจ้ามากขึ้นนะครับผมอยากจะให้เราถามตัวเองว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากฉันที่น้องครับท่านคิดว่าพระเจ้าต้องการอะไรจากเราครับ พระเจ้าสามารถทําการอัศจรรย์ได้พระองค์ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราหรอกครับพรงทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงสัพพันญู่รงไม่ต้องการคําแนะนําของเราพรงมีลิขิตภาพสูงสุดนะครับ sovereignty พรงไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆของเราเลยแม้กระทั่งงานรับใช้พรงคทรงมั่งคั่งพรงทรงเป็นเจ้าของสรรพสิ่งพระองค์ก็ไม่ต้องการเงินถวายของเราด้วย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสิ่งที่พระองค์บอกให mm ้เราทําก็คือให้เรานำมาสการพระองค์ให้เราเคารพสักการะพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นนี่คือความปรารถนาและน้มัไทยของพระเจ้าถามว่าสิ่งดีตกขึ้นกับใครครับสิ่งดีในการนมาสการในถวายคําสรรเสริญเคารพสักการะพระเจ้าผู้่งใหญ่สูงสุดนั้นสิ่งดีตกขึ้นกับใครครับสิ่งดีตกขึ้นกับผู้ที่น้มาสการสรรเสริญครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะ ได้ประจักษ์ถึงความเที่ยงตรงบริสุทธิ์ความยุติธรรมและพลักษณะทั้งสิ้นของพระเจ้าและเมื่อเขาประจักษ์แจ้งกับสิ่งเหล่านี้เขาจะรู้ครับว่าพระพรที่เกิดขึ้นขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นพลักษณะของพระเจ้านั้นจะเป็นของเขาพระพรจะเทเข้ามาในชีวิตของผู้ที่นมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องและด้วยจริงใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึง และเราท่องคำอธิษฐานของพระเยซูเป็นการสามาัคคีธรรเป็นการพูดคุยกับพระเจ้าเราจะรู้สึกยังไงครับถ้าเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจะรู้สึกตื้นตันใช่ไหมครับหรือบางท่านอาจจะรู้สึกเกรงกลัวเพราะว่าท่านมีอานาจมากและเราเป็นคนธรรมดาเราจะรู้สึกกลัวเมื่อเราอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าเราเข้ามา ตามเงื่อนไขของพระองค์ตามคำเชื่อเชิญของพระองค์ก็คือภายใต้พระคุณขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพรชนบนั่งเขียนภายใต้ร่มพระคุณนี้เราทั้งหลายสามารถเข้ามาครอบพระองค์ได้เราทั้งหลายที่จะสามารถเริ่มต้นการอธิษฐานที่คําว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะเพราะมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราแต่เราปฏิบัติตามเงื่อนไขในพันธสัญญาของพระเจ้าก็คือผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์นั่นเอง เห็นไหมครับในวันนี้พระเจ้าทรงเชื้อเชิญเรานะครับพระเยซูตรัสว่าจงมาหาเราพระวิญญาณและเจ้าสาวตรัสว่าเชิญมาเถิดเห็นไหมครับและในพระธรรมยอห์นบทที่สีเขายิบสาวบอกว่าพระเจ้าทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นนับมาการพระองค์นั่นหมายความว่าพระองค์ทรงมีความต้องการมีความปรารถนาที่จะให้คนที่จริงจังจริงใจและเข้าใจในพระลักษณะของพระองค์มานับการพระองค์อย่างถูกต้อง เห็นไหครับเรามีความปรารถนาไหมครับที่จะปฏิบัติต่อพระเจ้าเสมือนว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดในขณะที่บางคนนะครับปฏิบัติต่อพระเจ้าเหมือนเสมือนว่าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนนะครับเพราะเรานั้นเป็นคนที่มีมิตรติมิตรใจมีไมตกรีแต่ที่ จ, จากบางแห่งนะครับได้สูญเสียความรู้สึกถึงความบริสุทธิ์และความยำเกรงพระเจ้า เพราะว่าการเข้าฟ้อพระเจ้ายัางไม่เป็นทางการนะครับเรายื่นมือของเราออกแล้วถามพระเจ้าว่าเป็นไงเฮ้ hey! หรือจะโกนไปฝากหนึ่งของห้องว่ า, ารุนสวัสดิ์เจ้าเป็นไงบ้างนี่คือความไม่เคารพย่ำเกรงครับความเป็นกันเองก็มีเวลาของมันมีวาระของมันแต่เนื่องจากว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์และเมื่อเราอาธิษฐานคําว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะนั่นคือ ความสูงสุดของพระเจ้าเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของคำอธิษฐานเบเยซูในคำวิงวอนที่หนึ่งนี้ก็คือเราจะต้องตั้งพระเจ้าไว้ในที่ที่ถูกต้องในชีวิตของเราครับเราจะต้องตั้งพระเจ้าไว้ในที่ที่ถูกต้องสำหรับพระองค์ในชีวิตของเราพี่น้องครับการตั้งพระเจ้าไว้บนบรรลังชีวิตของเราในโลกนี้ขอให้เป็นจริงครับ เหมือนกับที่โพรงทรงประทับบนบันลังในสวรรค์เหมือนกันเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้พระนามของโพระงเป็นที่เคารพสักการะเรากําลังมอบเวทีชีวิตของเราแด่พระเจ้าเรากําลังมอบเวทีชีวิตของเราถวายแด่พระองค์ครับซึ่งในบนเวทีชีวิตนี้โพรงจะสามารถสัมดงพระสิริของพระองค์จากที่นั่นได้ผ่านชีวิตของเราและเมื่อเราทูลขอสิ่งนี้ด้วยความจริงใจนะครับ เราก็กําลังจดจ่อความคิดของเราอยู่ที่พระเจ้าพระองค์เดียวและถ้าเรารักษาเราสามารถรักษาการจดจอนี้ไว้นะครับเราจะสามารถเข้าใจความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ในที่สุดและเราจะสามารถเข้าใจสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําไว้แผนการแห่งความรอดแผนการแห่งความหวังทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้ในชีวิตของเราได้เมื่อเรอธิษฐานนะครับเราไม่ได้อธิษฐาน คำรอธิษฐานของพระเยซูเพื่อให้พระเจ้าประทับใจนะครับในความเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราหรือความสามารถในการพูดในการเป็นหาคาในการอธิษฐานของเราแต่นะครับขอให้พระเจ้าในความคิดของเรานั้นยิ่งใหญ่สูงสุดบอยสุดที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดและให้สิ่งนั้นเป็นเป้าหมายในการนมัสการพระเจ้าของเราทั้งหลายพี่น้องครับ พระเจ้าผู้ทรงฤทธิสุดได้เปิดโอกาสให้เราพูดคุยกับพระองค์เปิดโอกาสให้เรานมัสการพระองค์เ พ, พราะพระองค์นั้นทรงยิ่งใหญ่มากครับและพระองค์ทรงมีพลักษณะหลายอย่างทีเดียวเังนการสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเราครับคงจะไม่ถูกเวลาบังคับครับเพราะเราสามารถที่จะชื่นชมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ตลอดเวลาในทุกที่ทุกแห่ง เพียงครับพระเจ้านั้นไม่บังคับใครให้สรรเสริญพระ น, นามของพระองค์นะครับแต่การที่เราจะสรรเสริญพระ น, นามของพระองค์นั้นเกิดขึ้นาจากความสมัครใจการรู้สึกสำนึกและตอบสนองพระองค์อย่างถูกต้องในคําอธิษฐานของพระเยซูคำอิงวอนที่หนึ่งนี้สอนเรื่องอธิปไตยอํานาจสูงสุดของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์และพระองค์สอนว่ามนุษย์นั้นมีเสรีภาพในการตัดสินใจที่จะเลือกอนมัตการพระองค์หรือ ไม่นำสการพระองค์ในขณะที่นำสการพระองค์อยู่นั้นมนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจที่จะเลือกการนำสการพระองค์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องที่สุดเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับพี่น้องว่าการนำสการนั้นพระเจ้าสั่งให้เรานำสการพระองค์แต่ในขณะที่เราตอบสนองนั้นเราสามารถที่จะเลือกตอบสนองอย่างถูกต้องหรืออย่างไม่ถูกต้องได้พี่น้องครับ คำสั่งที่มาถึงเราก็คือจงนมัสการพระเจ้าแต่หลายคนไม่ทำครับน่าเสียดายมากหรือบางคนไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแม้ว่าส่วนลึกของหัวใจของเขาน้นรู้จักพระเจ้าบางคนก็กระบฏเพราะว่าความบาปบางคนยุ่งเกินไปเพราะว่าความวิตกของโลกบางคนลืมเพราะสิ่งอื่นบีบคั้นนะครับหรือสิ่งอื่นนั้นทำให้ชีวิตของเรานั้นหันเหออกจากพระเจ้าก็เลยลืมพระเจ้า พี่น้องครับเมื่อเราอธิษฐานขอให้พนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะอย่างนี้นะครับหลายหลายครั้งผมเชื่อแน่ว่าพระเจ้าจะเปิดให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เมื่อเราต้องการความเข้าใจให้เราสรรเสริญพระองค์อย่างถูกต้องผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสมบูรณ์แบบและพูดกับพระองค์ว่าถ้าแต่พระบิดาแห่งข้าพรงทั้งหลายและพระบิดาจะทรงประทานความเข้าใจกับเราเมื่อเราต้องการความเข้าใจ บางครั้งเมื่อเรารู้สึกโดดเดี่ยวให้เราสรรเสริญพระบิดาและบอกกับพระองค์ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าภพงทั้งหลายพระบิดาของเราผู้ทรงรู้จักธรรมชาติของเราก็จะช่วยเหลือเราให้หลุดออกจากความโดดเดี่ยวและทรงทรงเป็นสหายของเราเมื่อเราล้มเหลวครับพี่น้องครับแล้วสรรเสริญพระบิดาของเราผ่านทางพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์และบอกกับพระองค์ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลาย พระบิดาของเราผู้ทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งความล้มเหลวของเราแม้ก่อนที่เราจะทูลขอพระเจ้าก็จะยกโทษให้เราและหนุนใจเราให้ทําสิ่งที่ถูกต้องพี่น้องครับพระเจ้าจะยื่นประหัตของพระองค์ลงมาสัมผัสกับเราเมื่อเรายื่นมือของเราปรารถนาแสวงหาในการสัมผัสพระเจ้าพี่น้องครับผมอยากจะขอมอบพระงดี สามตอนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการน้ำมการทรงอย่างแท้จริงเมื่อเราอธิฐานคำว่าขอให้พระนามของทรงเป็นที่เคารพสักการะในพระธรรมหนึ่งพงกษัตรบทที่แปดข้อสี่สามขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของทรงขอทรงกระทาตามทุกสิ่งที่ชนต่างด้าวได้ทูลขอตอบพระองค์ ชาวชชาติาทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกจะรู้จักพระ น, นามของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ดังอิสอเอลประชากรของพระองค์ผู้ย่ำเกรงพระองค์เขาทั้งหลายจะทราบว่าพระนิเวศนี้ซึ่งข่าพระองค์ได้สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระ น, นามของพระองค์พระ น, นามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์อิสยาบทที่หกข้อสามนะครับพระ น, นามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์และน่าครามกลัวจริงๆเนี่มีบทที่เก้าข้อห้า จงยืนขึ้นสันเสริญรพเ ย, ยวาวาพระเจ้าของท่านหลายตั้งแต่นิรันการจนถึงนิรันการสาธุการแด่พระนามอนุ่งโรดของพระองค์จึงยิ่งใหญ่เหนือการโมทนาและเหนือการสันเสริญทั้งปวงย้อนบทที่สี่ขอ้อยสามสิบสี่ครับแปลว่าพระนั้นใกล้เข้ามาแล้วบัดนี้ก็ถึงแล้วคือเมื่อผู้ที่น้ำมศการอย่างถูกต้องจะน้ำศการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงสแสวงหาคนเช่นนั้นนมสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่น้ำมการพระองค์ต้องน้ำมการด้วยจิตวิญญาณและความจริงขอพระเจ้าช่วยพี่น้องนะครับในขณะที่เราสแสวงหาความหมายของการอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูเราจะพบกับพระเจ้าผ่านทางอวัิฐา น, นี้อามน